ตอบคำถามที่ถามว่าสมณะคือสมณะโคดมเนี่ยมีปกติกิงวาทีท่านมีลัทธิทิฏฐิบอกกล่าวอย่างไรกิมักขายิมีปกติบอกสอนอะไรซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสตอบว่าดูก่อนผู้มีอายุบุคคลมีปกติกล่าวอย่างไรจึงจะไม่โต้เถียง ก, กันกับผู้ใดผู้หนึ่งในโลกพูดยังไงจะได้ไม่ทะเลาะกันพูดยังไงไม่ต้องไปเถียงกับใคร ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมา ร, า โ, ลมรมโลกในมูสอพรหมโลกในมูซาพร้อมทั้งสมณะพรามเทวดาและมนุษย์แล้วดำรงอยู่ในโลกคือพูดยังไงโดยที่ไม่ต้องเถียงกับใครแล้วพูดอย่างไรแล้วก็อยู่ในโลกอย่างไม่ต้องทะเลาะกับใครอันนี้ข้อแรกแต่พระพุทธเจ้าพูดไม่ทะเลาะกับคนอื่นแต่คนอื่นไปทะเลาะกับพระพุทธเจ้านะถามว่าเอแล้วพระพุทธเจ้าไม่ไม่มีข้อขัดแย้งระหว่างใครกับใครเลยหรือ จริงๆแล้วพระองค์ไม่ได้ไปขัดแย้งกับใครแต่คนอื่นมาขัดแย้งกับพระองค์เองนะอย่างเช่นบอกว่าคนอื่นมาขัดแย้งกับพระองค์อย่างไรบอกว่าบทว่าณนะเกจิโลเกวิไขหะติทติความว่าเราเนี่ยไม่ทําคําโต้เถียงไม่ทะเลาะ ก, กันกับผู้ใดผู้หนึ่งในโลกจริงอยู่พระตถาคตย่อมไม่ส่งทะเลาะ ก, กับชาวโลกพระองค์ไม่เคยมาไปทะเลาะ ก, กับใครไปหาเรื่องกับใครวางแผนเล่นงานผู้ใดผู้หนึ่งไม่มี มีแต่ว่าจะช่วยใครได้บ้างวันนี้ใครมาสู่ขายพระยานเราจะช่วยให้ผู้ใดพ้นทุกได้บ้างเราจะช่วยให้ผู้ใดประสบแต่ความสุขได้บ้างเราจะช่วยให้ใครเจริญด้วยศรัทธาเป็นต้นได้บ้างพระองค์ก็คิดแต่อย่างนี้แล้วก็พูดเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เขาแล้วพระองค์ก็ตรัสอยู่แต่ความจริงเพราะพระองค์ประกาศสัจจะพูดความจริงเพื่อให้เขารู้อริยสัจจะแทงตลอดอริยสัจซึ่งเป็น ความจริงที่สูงสุดพระองค์ก็ตรัสว่าไม่เที่ยงเพราะพระองค์บอกความจริงเพื่อให้เข้าถึงความจริงพระองค์บอกว่าขันห้าไม่เที่ยงเพื่อให้บรรลุพระนิพพานที่เป็นของเที่ยงเป็นที่ดับขันห้าแต่ชาวโลกลบอกเที่ยงสิขันห้าเที่ยงโอ้ยนิพพานใช่ไหมดีจริงะนะนิพพานไม่แน่หรอกไม่จริงหรอกมันถ้าพระองค์บอกว่าขันห้าเป็นทุกข์ชาวโลกก็บอกว่าเป็นสุขพระองค์บอกว่าขันห้าเป็นอนัตตาชาวโลกก็บอกว่าเป็น อตาพระองค์บอกว่าอัศภาพบอกว่างามงามนะอย่าว่าพระพุทธเจ้าเลยเขาบอกว่ามีโยมบางคนเขบอกไม่ไปฟังหรอกพระเทศนขาบงั้นคนสวยคนงามตั้งเยอะแยะไปบอกว่าเขาไม่สวยไม่งามไปหมดเขาบองั้นเขาทนไม่ได้เขาก็เลยไม่ฟังซะเลยว่างั้นก็ก็ก็มันสวยอะไปว่าไม่สวยได้ยังไงก็มันดีไปบอกว่าไม่ดีได้ยังไงก็ทั้งสวยด้วยทั้งดีด้วยแล้วไปบอกว่าไม่สวยไม่ดีเขาก็เลยไม่ฟังธรรมเลย ไม่ฟังเขามาก็เทศอยู่เท่าเดิมนั่นแหละแล้วก็นี่นะปกติพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วพระองค์ก็ตรัส บ, บอกว่าอาสุภาชาวโลกก็บอกว่าสุภานะทั้นชาวโลกมาทะเลาะกับพระพุทธเจ้าชวนพระพุทธเจ้าทะเลาะแต่พระองค์ไม่ทะเลาะด้วยนะก็ะชินง่ายๆอย่างนี้นะแบบอันนี้ไม่ใช่คำหยาบเล่าให้ฟังแต่ว่ามันเป็นอุปมาที่ชัดจริงๆอย่างเช่นเดินไปไหนเคยถูกสุนัขเห่าไหมและเห่าตอบมันไหย ทำไมอ่ะคนทั่วๆไปก็เหมือนการพระองค์ก็ไปตามทางของพระองค์เพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นแต่ก็อย่างว่านะไม่เคยไปนั่งอยู่ตรงไหนแล้วยุงมันกวนหูบ้างไหมแล้วเราก็เลยไปกวนยุงบ้างไงกันเนี่ยก็ต้องสังเกตให้ดีว่าออสัตว์โลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละจะไปหนักกกหนักใจอะไรมากมายเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วพระองค์จึงไม่ทะเลาะกับผู้ใดไม่ทะเลาะกับชาวโลก แต่ชาวโลกก็ยังทะเลาะกับพระพุทธเจ้าหาเรื่องกับพระพุทธเจ้าแต่ถึงหายัางไงพระองค์ก็ไม่มีเรื God, ่องด้วยนะพระองค์ไม่ไปทะเลาะด้วยหรอกนะนะเพราะหลายคนที like. s, <S <gypt ophobia forever> more ่ทะเลาะทะเลาะด้วยจิตชนิดใดจิตชนิดนั้นพระพุทธเจ้าถอนรากเสร็จแล้วเช่นว่าทะเลาะด้วยจิตที่เป็นโทสะพระพุทธเจ้าถอนรากของโทสะเสร็จแล้วพระองค์จึงไม่มีโทสะแล้วพระองค์ไปทะเลาะทําไมพระองค์ก็เล่าความจริงให้ฟังถ้าไม่อยากฟังความจริงอยากทะเลาะก็ทะเลาะต่อไป พระองค์ก็ไม่อนุโมทนาแต่พระองค์ก็กรุณาเนี่ยนะพระองค์ก็สงสารนะนะเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่ทะเลาะกับชาวโลกแต่ชาวโลกทะเลาะกับเราธรรมวาทีย่อมไม่ทะเลาะกับใครๆเช่นกันแต่อธรรมวาทีย่อมทะเลาะคนที่พูดเป็นธรรมเนี่ยนะพูดเพื่อพูดเพื่อเป็นธรรมเนี่ยคำว่าธรรมในที่นี้คือพูดคนที่พูดเป็นสัจธรรม คนที่พูดเป็นอริยสัจธรรมผู้ที่พูดทุกสมุทยัยนิโรธมรรทุกคนกําหนดรอบรู้สมุทยัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งอริยมรรคควรเจริญทั้งหลายเนี่ยไม่ทะเลาะ ก, กับใครแต่คนที่ทําตรงกันข้ามนี่จะเที่ยวทะเลาะ ก, กับคนอื่นะจะเที่ยวทะเลาะ ก, กับคนอื่นอยู่ตลอดเวลามันก็แล้วแต่นะใครที่อยากสมมติว่าคนที่ชอบทะเลาะ ก, กับคนอื่นเราก็ต้องคิดให้ดีนะว่าเออทาไมชอบทะเลาะ ก, กับคนอื่นแล้วปกตินีเขาเป็นอย่างไร นี่พระองค์ก็บอกว่าตรงๆนะคําถามบอกพระพุทธเจ้าเนี่ยมีปกติมีปกติพูดอะไรก็คือพูดในสิ่งที่ไม่ต้องโต้เถียงกับผู้ใดผู้หนึ่งในโลกคือพระองค์พูดความจริงพระองค์ประกาศอริยสัจตามความเป็นจริงบอกเหตุบอกผลบอกทำดำํำทำขาวบอกดีบอกชั่วพระองค์ก็เปิดเผยคําสอนที่พระองค์บอกสอนในพระไตรปิฎกนั่นแหละตามความเป็นจริง มันพระองค์จึงไม่โต้เถียงกับผู้ใดผู้หนึ่งในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรมโลกในมูสสะพร้อมทั้งสมณพราหมเทวดาและมนุษย์ดํารงอยู่ในโลกใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นโดยที่ไม่ขัดแย้งกับใครไม่ทะเลาะกับใครพระองค์ก็เป็นผู้สงบเยือกเย็นอยู่อย่างผาสุขแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่เป็นแบบนี้แล้วคนอื่นจะมามาเย็นด้วยนะเอาไหม ไม่เนี่ยนะก็มีคนที่หาเรื่องเช่นพระเทวทัตเป็นต้นก็ยังไปทะเลาะกับพระพุทธเจ้าไปชวนพระพุทธเจ้าทะเลาะโดยประการต่างๆนะแต่ธรรมดาของยุงอ่ะนะถึงเราจะนั่งอยู่เฉยๆมันก็บินควรหูบ้างนิดหน่อยก็อย่าไปทะเลาะกับยุงกันแล้วกันและต่อไปอีอกบอกว่ า, วาสัญญะและสัญญาทั้งหลายจะไม่ครอบงามพรามคือพระอรหันต์ผู้อยู่ปราศจาก วัตถุกรรมด้วยกิเลสกรรมทั้งหลายนั้นผู้ไม่ลังเลด้วยความสงสัยผู้ตัดความขนองทางกายวาจาเป็นต้นได้แล้วผู้ปราศจากตัญหาที่นำเกิดในพบน้อยพบใหญ่พบเลวพบประนีตได้อย่างไรเรามีปกติกล่าวอย่างนั้นมีปกติสอนอย่างนั้นคือพระองค์เนี่ยสอนข้อปฏิบัติเพื่อให้ละอกุศลธรรมทั้งหลาย พระองค์เนี่ยสอนคําสอนสอนข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุอริยมรรคทั้งหลายพระองค์สอนคําสอนเนี่ยอย่างเช่นมงคลสูตรเนี่ยสอนจบลงที่อรหัตผลเพราะฉนนั้สิ่งที่พระองค์บอกก็คือบอกวิธีข้อประพฤติปฏิบัติที่จะต้องไม่พัวพันในวัตถุกรรมด้วยกิเลสกรรมไม่ต้องลังเลสงสัยไม่คณองกายวาจาปราศจากตัณหาที่นําไปสู่พบใหม่พระองค์สอนให้เขาบรรลุอรหัตผลอันนี้แหละเป็นคําบอกคําสอนของพระองค์อันนะ อันดับแรกพระองค์บอกวิธีการปฏิบัติไม่ต้องทะเลาะ ก, กับใครข้อสองข้อปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์ก็คือสรุปว่าพระองค์เนี่ยดำรงอยู่ในความเป็นพระอรหันต์คำตอบตรงนี้เนี่ยดำรงอยู่ในความเป็นพระอรหรอันต์นะถามมาพระองค์ก็ตอบไปถามว่ามีปกติกล่าวอย่างไรมีปกติบอกอย่างไรก็มีปกติกล่าวว่าไม่ต้องโต้เถียงกับใครและกิเลสไม่ครอบงํา ไม่ลังเลไม่สงสัยตัดความคนองตัดทันหาที่นําไปสู่พบใหม่ได้อย่างเงี้ยเรามีปกติบอกอย่างเงี้ยมีปกติสอนอย่างนี้แหละจริงๆแล้วหลักการของพระพุทธเจ้าถ้าจะมองอีกในหนึ่งเนี่ยพระองค์เป็นอย่างนี้จริงๆคําสอนในพระไตรปิฎกทั้งหมดนะถ้ามองให้รู้ตา ม, ตามเห็นตามหนึ่งไม่โต้เถียงกับใครสองปฏิบัติอย่างไรจึงจะตัดกิเลสเนี่ยนั่นแหละคือคําสอนของพระพุทธเจ้านั่นคือคําบอกคําสอนคําแนะนําของพระพุทธเจ้าแต่ว่า คำถามคำตอบเป็นเรื่องที่ดีแต่คนถามไม่เลื่อมใสเมื่อได้รับฟังคาตอบไปก็เมื่อพระองคตัสอย่างนี้เจ้าทันดะตานิสักยะก็สั่นศีรษะแล้วก็แลบลิ้นทําหน้าผากให้ย่นเป็นสามรอยถือไม่เท้ายันแล้วก็หลีกไปเนี่ยนะเรียกว่าแหมหน้าดูเหมือนกันนะถ้าสมัยนี้ก็เป็นนักเลงหน้าดูเลยแหละและพระพุทธเจ้ายังไม่เกรงใจเล ย, ยแล้วแลบลิ้นใส่พระพุทธเจ้าได้ยังไม่ธรรมดานะ อธิบายเพิ่มเติมในหน้า208ว่ากิเลสสัญญาทั้งหลายจะไม่ครอบงำพราหมณ์ผู้อยู่ปราศจากกามทั้งหลายนั้นผู้มีปกติกล่าวความดับดับกิเลสจากโลกทั้งหลายโดยการะณะคือเหตุใดคื อ, คอพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแสดงโลกเหตุให้เกิดโลกความดับโลกและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลกพรานพระองค์เนี่ยนะไม่ถูก โลกนี้ฉาบทารูบไล้ไว้ด้วยตันหาและทิฏฐิปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติเพื่อดับโลกที่นําไปสู่พบใหม่เนี่ยนะพระองค์เนี่ยแสดงประกาศถึงความที่พระองค์นั้นดํารงอยู่ในภาวะขิพระอรหันต์นั่นเองที่พระองค์ตอบคําถามไปเมื่อกี้เนี่ยตอบคําตอบหรือตอบคําถามในฐานะพระอรหันต์ว่าพระองค์นั้นดํารงอยู่ด้วยภาวะแห่งบุคคลผู้เป็นพระอรหันต์ทำกิจเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะทำกิจเสร็จสิ้นสุดแล้ว เป็นผู้ที่อยู่ปราศจากเวรภัยและอันตรายเป็นผู้ที่อยู่โดยไม่มีกิเลสมีตัณหาเป็นผู้ที่อยู่ด้วยความสงบเยือกเย็นแทงตลอดโล ก, กุตระธรรมแล้วครั้งนั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จออกจากที่ลีกเกรนคือออกจากพระสมาบัตเนี่ยนะเสร็จแล้วก็เสด็จเข้าไปยังนิโคทารามประทับณอาสนะที่เขาจัดถวายแล้ว ครั้นแล้วพระองค์ก็ตรัสเรียกพี่สูทั้งหลายมารับสั่งว่าดูก่อนพี่สูทั้งหลายเราจะเล่าให้ฟังมีเรื่องเล่าให้ฟังนะเมื่อเช้าเรานุ่งแล้วถือบาตรและจีวรเข้าไปสู่พระนครก บ, บิลพั์เพื่อบิณฑบาตครั้นเสร็จจากการเที่ยวไปบิณฑบาตแล้วก็เข้าไปยังป่ามหาวันเพื่อพักในเวลากลางวันครั้นถึงแล้วจึงนั่งพักในเวลากลางวันณนโะคนต้นมะตูมนมต้นมะตูมนมเนี่ยนะดูก่อนพิ่สูทั้งหลายแมธันดาปานิสักยะ สเสด็จเที่ยวเดินเล่นได้เข้าไปยังป่ามาหาวันครั้นแล้วเข้าไปหาเรายัางต้นมะตูมน่มได้ปราศัยกับเราครั้นผ่านกราบการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วก็ได้ยืนยืนแบบคนยันไม่เท้าเนี่ยนะโก้หน้าดูเลยนะณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแมมถ้าลําพองจะพยองพยองที่ไหนก็พยองเหอะจะลําพองหแหมอวดเบ่งเด่งที่ไหนก็ไปเบ่งแต่เบ่งหน้าพระพุทธเจ้าจะน่าสงสารขนาดไหนเนาะ ออเออเอออางอะนะแล้วพระองค์ก็บอกว่าเราได้ถามเอขอขออภัยเจ้าธันดะปานิสกัจยะถามเราว่าพระสมณะมีปกติกล่าวอย่างไรปกติกล่าวก็คือลทัทธินทิฐิท่านเป็นอย่างไรมีปกติบอกสอนอย่างไรดูก่อนพิสูุทั้งหลายเมื่อธันดะปานิสกัจยะกล่าวอย่างนั้นแล้วเราก็ได้ตอบเข้าว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุบุคคลมีปกติ กล่าวอย่างไรทิฐินะกล่าวตัวนั้นหมายถึงลัทธิทิฐิทฤษฎีหลักการนะว่าจะไม่โต้เถียงกันกันกบผู้ใดผู้หนึ่งในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณนะพรามเทวดาและมนุษย์ดำรงอยู่ในโลก อันหนึ่งสัญญาทั้งหลายจะไม่ครอบงำพรามผู้ปราศจากกรมทั้งหลายนั้นผู้ไม่ลังเลผู้ตัดความขนองได้แลว้วผู้ปราศจากปัญหาในภพน้อยภพใหญ่ได้อย่างไรเรามีปกติกล่าวอย่างนั้นมีปกติบอกอย่างนั้นเมื่อเรากล่าวอย่างนี้แล้วทันดาตานิสกยะสันสีษะเลบลิ้นทานาผกย่นเป็นสามรอถือไม่เท้ายันแล้วก็หลีกไป เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถาม น, น, นะคือที่พระองค์มาตรัสเล่าให้ฟังเนี่ยพระองค์รู้อยู่แล้วว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งที่ฉลาดในการเชื่อมเรื่องมีพระที่เก่งอยู่รูปหนึ่งนะคือการตรัสของพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสเพื่อฆ่าเวลาพูดรออะไรอะไรไม่มีทุกอย่างที่พระองค์ทํามีประโยชน์เสมอมีประโยชน์หมดเพราะสิ่งเหล่านี้จะนําไปเพื่ อ, อ ในที่สุดคือยกย่องคุณของพระมหากัจจยนะเป็นการประกาศทั้งความตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้าความเป็นธรรมดีของพระธรรมและความปฏิบัติดีของพระสงฆ์เนี่ยนะความเป็นผู้มีปัญญาของพระมหากัจจายนะเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยตรัสหนึ่งประโยคหรือหนึ่งคำผู้ที่ไหนอย่างไรเนี่ยมันมีผลมีประโยชน์ต่อเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งนั้นเนี่ยนะแต่ว่าผลก็คือผลคือประโยชน์และความสุขนั่นเอง คือพระพิสุรูปนั้นอ่ะนะองค์ที่ฉลาดในการสนทิเชื่อมเนื้อหาเนื้อเรื่องอ่ะนะเมื่อพระผู้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเจ้าธันดะปาณิสักยะไม่ทรงรู้โดยประการใดเราจะแสดงโดยประการนั้นก็เลยสืบเรื่องมาว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสปัญหาที่ไม่เพ่งรู้ว่าเป็นอย่างไรน้อแล จึงทูลขอพระทศพลด้วยคิดว่าปันเราจะทำปัญหานี้ให้ปรากฏแก่ภิกษุสงฆ์เนี่ยนะเรื่องก็ยาก น, นะก็เลยอยากให้พระองค์ชี้แจงขยายรายละเอียดให้ชัดเจนพระภิกษุรูปนั้นก็ลุกจากอาสนะ ร, รมอุตราสงฆ์เฉลียงบาหรือเฉวียงบาเ น, นี่ยนะประคองอัญชลีที่รุ่งเรืองทั้งสิบนิ้วกราบทูลว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้านี่นะมีปกติตรัสอย่างไร นะข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระผู้มีพระภาคเจ้ามีปกติตรัสอย่างไรจึงจะไม่โต้เถียงกับผู้ใดผู้หนึ่งในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ดำรงอยู่ในโลกอั น, นึ่งสัญญาทั้งหลายจะไม่ครอบงำพราหมณ์ผู้ปราศจากกิเลสกรรมในวัตถุกรรมทั้งหลายนั้นนะผู้ไม่ลังเลสงสัยผู้ตัดความขนองกายเป็นต้นได้แล้วปราศจากตัณหาที่นำไปสู่พบใหม่ หรือพบน้อยพบใหญ่ได้อย่างไรคือพระองค์พระองค์อะตรัสอย่างไรจึงจะไม่ต้องโต้เถียงกับคนอื่นแล้วทำอย่างไงจึงจะสัญญาหรือกิเลสสัญญาที่นําไปสู่พบใหม่มันจึงไม่มีเออน่าสงสัยเหมือนกันนะเอ๊พระองค์พูดอย่างไงจึงไม่ต้องเถียงกับใครและพูดอย่างไรและสัญญาหรือกิเลสสัญญาจึงจะไม่ครอบงำท่วมทับเอาไว้ในวัฏฏะเนี่ยเออมันน่าคิดหนึ่งไม่ต้องทะเลาะกับใคร และไม่ต้องจมอยู่ในกองทุกข์ด้วยเป็นการผู้ที่ไม่เทียงกับใครแล้วนำออกจากทุกข์ได้จริงๆเออทำได้ยังไง